أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوانا إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ت الح ر ض ا و ل ك الحمد إذا رديت و ل ك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إ ل ى الأولين والآخرين وأشهد أن ب ي ن ا م ح م د ا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقد أدى الأمانة وبرق ا ل ر س ا ل ه ونص الأمة و ش ا د في لحقتها فجزاه الله أمة وعن أمتها خير ما جزاه نبيا أن أمتي أمة أما ب لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد بالله فذكر أن أودب الله الشيطان الرجيم فذكر ا ن فات الذكر س ي ذ ك ر ا ما يخشى خب نعمتي رقين خبرة เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการ تكذين، แล้ว เราได้สรุปตามที่พ่อลอสซูปาโนตราบอกไว้ก็คือว่าแน่นอนผู้ที่มีความกลัวเกรงนันเขาย่อมจะเป็นผู้ที่คิดได้คนที่ได้รับประโยชน์จากการตักเตือนในการพูดคุยในเรื่องของการตักเตือนนะครับคงจะสมบูรณ์ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้คุยถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความเกรงกลัวหรือผู้ที่รับฟังการตักเตือนครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับหายนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผม บางท่านเจะบอกอ้าวอาจารย์ไหนคนรับฟังสัจธรรมนั้นเขาก็ต้องได้รับสัยชนะไม่ใช่เหรอือแน่นอนครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเพียงแต่เราอย่าลืมนะพี่น้องแน่นอนครับเมื่อมีการตักเตือนเนี่ยผู้ศรัทธานั้นจะได้รับประโยชนจากการตักเตือน إ มา ا ن ก็จะเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีความกลัวเกงต่อพวกลอสุภานุตรามากยิ่งขึ้น แต่ว่าในขณะเดียวกันครับศัตรูตลอดการของเรามันย่อมไม่แฮปปี้แน่นอนในการที่อิมราฮเราจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นศัตรูตลอดการเนี่ยใครครับอิบราฮิมกับลูกน้องของมันอิบราฮิมกับลูกน้องของมันแน่นอนครับมันรับปากกับผู้ล้อคือมันประกาศไว้แล้วต่อหน้าผู้ล้อซุบาหนหัวตายแหละตอนที่มันอยู่อตอนที่มันทําลาดไว้แทนที่มันจะขอเตาบ้าขอไปโทษไม่ครับมันกลับประกาศตนไว้ยังไงครับคอยดูนะ เนี่ยอาดัมเนี่ยกับลูกหลานของมันเนี่ยที่พระองค์เนี่ยให้เกียรติเหลือเกินเนี่ยข้าจะมาหาทั้งไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างขึ้นจะมาทุกทิศทางแล้วพระองค์จะพบว่าน้อยเหลือเกินในหมู่ของพวกมันที่รู้จักขอบคุณเพราะฉะนั้นครับพี่น้องหนึ่งในบุคคลที่ชัตอนต้องทํางานหนักเป็นพิเศษก็คือคนดีๆหรือคนที่พยายามทําตัวเป็นคนดีๆอย่างพวกเราทุกคน เพราะฉะ้ชัยตอนมันจะทุ่มกับพวกเราเป็นพิเศษมันจะต้องหาวิธียังไงก็ได้ต่อให้เรามีความเกรงกลัวต่อล็อตซบาร์นวลตรามันก็จะต้องหารูทางที่จะทำให้เรานั้นพบกับความหายนะแต่พี่น้องครับลองมาช่วยคิดกันเล่นๆพี่น้องว่าอะไรล่ะคือหายนะที่จะเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่เขามีความกลัวต่อลอแล้ว เชื่อมั่นในอัลลอ์แล้ ว, ลวคิดได้แล้วมีสติแล้วอะไรคือหายนะที่จะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้ได้จะมีอยู่ไหมอิบราฮิมมันคิดวิธีจนได้ครับผมหนึ่งในหายนะที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่มีความกลัวเกงต่อพวกลอสุบะฮานหัวตาลาก็คือความหย่อนยานการขาดความมุ่งมั่น นี่คือกุญแจที่สําคัญครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อเราได้รับการตักเตือนแล้วใช่ไหมเมื่อเราคิดได้พี่น้องสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราคิดได้แล้วแต่พอเวลาผ่านไปช่วงหนึง่งเรากลับไปทำมันอีกเรากลับไปทําผิดอันเดิมอีกมันเกิดอะไรขึ้นเนะ่ยเราไม่กลัวร้อนแล้วเหรอเรายังคงกลัวพวกลัทธิสุภาโนตลายอยู่เราไม่อยากได้ดีเหรอเรายังอยากได้ดีอยู่แต่สิ่งที่หายไปคือความมุ่ง มัน่นเพราะนันคนที่ได้รับงการตักเตือนอาธรรมในละตอนที่เขาจะได้ฟังการตักเตือน่อีมานเพิ่มแล้วไปอยุคุมซาเดธวายตีอีม่าเน่ะที่เราพูดคุยกันไปแล้วผู้สัตว์จะบอกว่ามีใครในหมู่พวกท่านที่อีมานเพิ่มบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเรามีความมุง่งมั่นแค่ไหนเพราะฉะนั้นหายนะสําหรับพวกเราครับ แพลนะสำหรับพวกเราที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับการขาดความมุ่งมั่นการขาดความมุ่งมั่นซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจครับว่าพี่น้องแต่ละท่านเนี่ยน่าจะตระหนักได้กับตัวของพวกเราเองน่าจะตระหนักได้กับตัวของพวกเรากับเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเอากลับมาคุยกันต่อผมเอามาจากไหนครับที่เรื่องประเด็นของการขาดความมุ่งมั่นชัดเจน โฟลลัสุบบะฮันตราเป็นผู้พูดเองเป็นผู้ที่กล่าวไว้เองครับในสุลตอฮาครับเพราะว่ากล่าววไงครับเพราะกล่าวว่าวัเรากอดอฮิตนะอิละอาดามามินกอบลูฟานยซีวะลามนะจิดละหูอัสมาว้คุณนั่นแหละมาเลกต์สุดูลีอาดามาฟไซดูอิละอิบริสอับะฟกุณนั่าอาดามอินน์ฮะอุลลักวะลิซูจิก ولا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا ت ش و فيها ولا تعرى وأنك لا تزمو فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة ا ل خ ل د وملق لا ي ب ل ى ف أ ق ل ل منها فبدت لهما سوأتهما ว่าทัฟ ي กาْ س ِ ف َ ا าِ عليهما مورق جنة و ع َ ا د مربه فغوى ثم تابه ربه فتاب عليه َ ح د ا นี่ 2, สตะอาระยาาเี่115ถึงอายะาที่122พวร้อยยีสุบสองพวลธิพหัาได้พูดถึงความเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นไปแล้วด้วยถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับคนดีๆที่ชัยตอนมันหาวิธีจนได้มาทาให เบาวที่ดีที่กลัวพวกลอสุบฮานตราเนี่ยต้องพลาดจนได้ต้องพบกับความหายนะเพราะเรากล่าวว่าไงครับแล้วแน่นอนเนี่ยเราได้ให้ทําพันธสัญญากับอาดัมมาตั้งแต่การก่อนคือตั้งแต่ตอนแรกพวกลอได้รับปากกับท่านเบีาดัมให้ท่านเบีาดัมเนี่ยทำพันธสัญญากับพระองค์ฟอร์ซีวอลัมนาจิตนูอัสมาแต่ว่าอาดัมได้ลืมซุบฮานละหลงลืม วลัมเนจิธลาหูอัสมาแล้วเราไม่พบว่าเขาเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพอเหตุผลที่ทานเบียดํามพลาดท่านอเบียดามลืมทํำไมถึงลืมเพราะท่านขาดความมุ่ง ม, มั่นที่มากพอนี่คือความผิดพลาดครั้งเดียวในชีวิตของท่านอเบียดามแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ส่งผลให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้พอเลาะอธิบายต่อครับมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพระละบอกท่นเบียดามลืม ทำไมบอกว่าท่านอาบีาดัมต้องขาดกว่ามุ่งมั่นพอเมื่อครั้งที่เราได้บอกกับมารายกาว่าจงกราบทั้งหมดก็กราบยกเว้นอิบราฮิมี่มันไม่ยอมกราบผู้ล้อเล่าที่มาที่ไปก่อนถึงจุดเริ่มต้นของศัตรูซึ่งเมื่ออิบราฮิมไม่กราบพว้ล้อบอกไงครับวกวกุลนะ่ะเราก็ได้บอกกับอาดัมแล้วก็บอกว่าไงครับบอกว่านี่คือศัตรูของเจ้ากับศัตรูของคู่ครองของเจ้าระวัง อย่าให้มันเป็นเหตุให้เจ้าถูกขับออกมาจากสวรรค์แล้วเจ้าจะลําบากพวกเราเตือนไว้ก่อนแล้วเตือนไว้แล้วพวก ร, รู้ว่าอิบราฮิมจะต้องหาทุกวิถีทางให้เทนบียดัมกับที่หญิงฮาวาถูกขับออกมาพวกเราเตือนแต่ทางเลือกเป็นของเทนบียดัมอเลสตัวอเลสตัวตัวแสร์แลมที่แสลมกลัวหรอไม่กลัวพวกเราหรอมีอีิมานไหมมีอีิมาน แต่ที่ท่านพลาเดเนี่ยผู้เลาะบอกว่าไงครับเพราะท่านไม่มีความมุ่งมั่นพอทั้งทั้งที่ผูเลาะเตือนนบีาดัมแล้วนะว่าเราระวังนะอิบลิสมันจะต้องเป็นเหตุให้เจ้าออกจากสวรรค์ออกจากสวนที่เจ้าอยู่เหมือนกับที่ผู้เลาะเตือนพวกเราอะครับว่าวชัยตอนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนของเราอย่าให้มันเอาเราเนี่ยไปสูนทางที่ลงผิดเหมือนกันถ้าใครจะตําหนินาเบียดัมระวังให้ดีแล้วตัวเองทําได้ดีแค่ไหนเพราะท่านนาบียดัมพลาดแค่ครั้งรั้นเดียว แล้วเราเราพลาดกี่ร้อยครั้งถูกไหมครับอาดัมท่านอับอาดัมเนี่ยพลาดไปแล้วครั้งแล้วก็จบเอาล็อตรับการตบาบาสไปแล้วส่วนพวกเราเนี่ยบางคนไปว่าท่านอับยาดัมเนี่ยเราเดินใช้ตอนหลอกลอก่อไม่รู้กี่รอบพวกเราก็เตือนแล้วใช้ตอนเป็นศัตรตูให้ยึดมันเป็นศัตรตูแต่เราบางครั้งก็ใช้ตอนมาเป็นมิตรเพื่อนั้นยํานะครับผมต้องให้เรามองให้ถูกแล้วก็ต้องไม่เราเกิดความโกรธเกลียดเกลียดชังกับ คุณพ่อของเราท่านอบดุอาดัมนะครับท่านพาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยที่เราพาดไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าอะไรท่านนะครับผมทีนี้ครับกลับมาที่ยักุรานต่อครับซึ่งเกิดอะไรต่อโพล้เตือนแลว่าเนี่ยมันเป็นศัตรูนะมันจะขับเจ้าออกมาแล้วเดี๋ยวเจ้าจะลำบากนะเจ้าตอนเนี้ยเจ้าอยู่ในสวนเนี่ยเจ้าจะไม่หิวเจ้าจะไม่มีความรู้สึกทรมานไม่มีกระหายไม่อะไรไม่มีความรู้สึกแย่ๆเลย ฟา ว, สวสัสบอร์ะัยได้ใช่ตอนใช่ตอนได้มากระสิบบอกว่าอาดัมจะให้ฉันบอกไม่ล่ะถึงต้นไม้อัมะตะที่จะทำให้เจ้าเนี่ยได้รับอำนาจที่ไม่มีใครท้าทียมไปยุแย่ครับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์กลัวหรอไม่กลัวห่อแน่นอนครับแต่พอดนอยุแย่ปุ๊บความมุ่งมั่นเนี่ยมันมันแผ่วความอยากรู้อยากเห็นเข้ามา ความอยากรู้อยากเห็นมีภาษิตบอกว่าไงครับความอยากรู้อยากเห็นน่ะฆ่าแมวมาแล้วคือความเชื่อของคนแต่ศาสนกใช่ไหมเขาบอกแมวมี9้าชีวิตคือมันไม่ตายง่ายๆแต่เขาบอกขนาดแมวที่ไม่ตายง่ายๆเนี่ยยังตายได้เพราะความอยากรู้อยากเห็นมุสลิมเราพบความหายนะมากมายแล้วกับความอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะอยากรู้อยากเห็นเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นพอรู้ปุ๊บก็จะทาตัวให้แย่ไปเพราะนั้นระวังครับ แต่ประเด็นเนี่ยคือลราเบียาดํพาพลาดมาก่อนฝาอากาลาอย่างที่เราทราบในวีดังแต่ที่เทวะก็เผลอไปกินผลจากต้นที่ว่านี้ก็พลาดไปพอกินไปปุ๊บ ก, ก็ความสวยงามในร่างกายหายไปก็โป้เปือยก็มีความอับอายเลยเข้ามาแทนต้องมาหาใบไม้มาปกปิดร่างกายแทนเพราะไม่มีอาพรที่สวยงามแล้วฝาออเียครับพวกล้อกล่าวไว้และอาดําได้ฝ่าฝืนในของเขา ฝ่าฝืนเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งถ้าไม่ถึงลืมเพราะขาดความมุ่งมั่นพราอันนี้เรื่องราของเตอร์เบีอาดัมเราไปดูครับที่เรื่องคนดีๆเนี่ยถ้าเกิดขาดความมุ่งมั่นเนี่ยทำให้เสียคนได้อีกท่านหนึ่งในเรื่องราวสุลต้าฟี่ครับเพราเราอ่านกันเป็นประจําใช่ไหมครับนี่สุลต้าฟี่เรื่องราวของนบีมูซาตอนที่ตามหานาบีเคลดตอนที่นบีมูซาตามหา นบีเคยด็กก็ไปกับลูกศิษย์ของท่านนบีมูซาใช่หมครับลูกศิษย์ของท่านนบีมูซาก็นบีมูซาก็ย้าว่านี่นะถ้าตอนเดินทางไปเดี๋ยวถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆเนี่ยอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นที่ที่เราจะได้เจอกับเคยด็กก็ลอะไรตั้งอวินาอิละครติฟอินนีนัสีตุลฮุตวะมอันซานีฮูหรือว่ามะอันซานีฮีอิละชัยตอนอันอัสกุรอัลตะกาซะซาบิรฮฟิลบฮ์อัชาบ น, นี่สิ่งที่ทําให้คนดีคนเกรงกลัวต่อหล่อพลาดเมื่อถึงเวลาอย่างที่เราทราบกันครับว่าลูกศิษย์ลูกหาของนบีมูซาเนี่ยลืมลืมบอกท่านว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ปลาที่เราเอามาเนี่ยมันกลับมามีชีวิตแล้วมันว่ายกลับไปในทะเลเนี่ยว่าจะเตือนนบีมูซาว่าจะบอกนบีมูซาแต่ลืมแล้วเดินทางออกมาก่อนเนะยอัลกุารานใช้คําว่าไงครับก็แหละ เขาได้พูดว่าอารอออแต่เนี่ยท่านจําได้ไหมเนี่ยตอนที่เราไปพักอยู่ที่โขดหินก้อนนึงเนี่ยฉันลืมปาไว้ตรงนั้นคือฉันลืมไปเลยว่าจะเล่าให้ฟังว่าปาเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววัวมาอันเซนีมันไม่มีอะไรทําให้ฉันลืมนอกจากชัยตอนน่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฉันลืมที่จะบอกกับท่านนบีมูซาอยากได้สิ่งที่ดีชัยตอนมันไม่อยากให้ได้สิ่งที่ดีมันทําให้นบีมูซาลืมไม่ได้มันก็ทําให้คนรับใช้นบีมูซา ลืมแทนซุบฮะแนลลอหพี่น้องแผนของชัยตอนมันเอาทุกเม็ดนะพี่น้องเอาทุกเม็ดคือมันทํากับเจ้าตัวไม่ได้มันไปหากับคนข้างเคียงแทนให้คนข้างเคียงมาส่งผลกับเจ้าตัวมันก็ทําได้อย่างบางคนครับเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีชัยตอนพยายามทําอะไรทําไม่ได้มันก็ไปเล่นที่คู่ครองแทนให้คู่ครองมาดึงให้เสีย หรือมาเล่นที่ลูกให้ลูกดึงให้เสีย <c oughs> หรือมาเล่นที่พ่อแม่ให้พ่อแม่ดึงให้เสียเล่นที่เพื่อหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นชัตอนเป็นศัตรูที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงการตักเตือนเนี่ยผู้ที่กลัวผัวร้อนนั้นจะได้รับอยู่จากการตักเตือนในขณะเดียวกัน สิ่งที่จะทําให้เราพบความหายนะได้ทั้งๆ ท, ที่เราเองก็กลัวอัลลอฮ์คือการที่เรานั้นหย่อนยานหรือว่าขาดความมุ่งมัน่นชีวิตในดุนยามันต้องใช้ความมุ่งมั่นครับพี่น้องจะประสบความสำเร็จต้องมีความมุ่งมัน่นอยากได้ดุนยาต้องมีความมุ่งมัน่นอยากได้ทั้งหมดยิ่งต้องมีความมุ่งมัน่นพี่น้องจําเรื่องราวของท่านฮันซาลาได้ไหมครับในหรรด้วคอย่างมุสลิมเหมือนพี่น้องที่ว่าท่านฮันซาลามีวันหนึ่งเนี่ย ท่านบูบักเจอท่านฮันซาล่ออกมาอยู่นอกบ้านเดินเตะเตะร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวท่านอบูบักก็ถามว่าเรื่อเกิดอะไรขึ้นเลยยาฮันซาล่าทำไมคือดู ด, ดูดูสาระรูปคือโซมไปเลยอ่ะท่านฮันซาล่บอกว่าไออบูบักฮันซาล่กลายเป็นมุนาฟิกไปแล้วอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละทำไมผมเช็คข่าวว่าทำดุริลละครับไม่มีใครกลัวการเป็นมุนาฟิกนอกจากเขาเป็นผู้ศรัทธานี่คําพูดของท่านดัสันเบสเซอรี่ คือท่านฮันซาลัตซูฮาบะเรี่อกับการที่ท่านมี إيمان มากอะครับแล้วท่านกลัวเรื่องของมุนาฟิกไงแล้วท่านกลัวว่าตอนเนี้ยท่านเป็นมูนาฟิกเป็นอิฟ้าไปเรียบร้อยแล้วท่านเคยร้องอกร้องร้องห่มร้องไห้ครับไม่ใช่มีความสุขแล้วบอกฉันเป็นมูนาฟิกแล้วก็หัวรอดได้พูดมีความสุขนั้นมันไม่ใช่มุสลิมนะนะพี่น้องท่านฮันซาลัตเนี่ยผู้สุดท้ายแท้จริงครับท่านกลัวว่าจะเป็นมูนาฟิกแล้วท่านเข้าใจว่าเป็นท่านก็เลยร้องห่มร้องไห้ ท่านรบูบักได้ยินเสดุ้งสิครับบอกอะไรนะท่านอัสล่าท่านว่าท่านเป็นมุนาฟิกเลยเหรอมันเรื่องใหญ่คือท่านรบูบักท่านคิดไม่ถึงเนี่ยแบบระดับอัสล่านะเป็นหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดท่านนบีนะแล้วก็มีอีมานระดับแนวหน้าเลยนะท่านรบูบักไม่เชื่อท่านบอกเป็นไปไม่ได้คท่านจะเป็นมูนาฟิกได้ยังไงท่านอัสล่าบอกว่าไงครับท่านอัสล่าบอกเนี่ยท่านรบูบัก ตอนที่เราอยู่กับนบีเนี่ยท่านนบีก็คอยเตือนเราใช่ไหมท่านนบีพูดถึงเรื่องสวรรค์แต่บีพูดถึงนรกเหมือนกับเราเห็นกับตาอีมานแล้วก็พุ่งผ่านแล้วก็รู้สึกว่าเรามีอิมานเนี่ยแต่พอถึงเวลาเราออกมาจากนบีพวกเรากลับไปอยู่กับครอบครัวของเราเราไปอยู่กับการงานเราไปนั่นเราไปทำ น, นี่เราก็ลืมไปสักส่วนใหญ่คือความพุ่งผ่านน่ยมันหายไปอีมานเน่ยมันหายไปมันอยู่แค่ช่วงแป๊บเดียวอันเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นมูนาฟิกแล้วจะให้เรียกว่าเป็นอะไร สุบฮานะวะท่านมองขนาดนี้พี่น้องท่านมองขนาดนี้ท่านระบูบักเนี่ยตอนแรกก็กะจะกล่อมให้ท่านฮันซาลาให้หายให้หายอารมณ์เศร้าโศกพอได้ยินปุ๊บท่านระบูบักบอกไงเออฉันก็เป็นเหมือนกับท่านเลยพอพูดปุ๊บเออคิดได้เออใช่นะตอนอยู่กับนบีแหละอิหมันพุ่งเลยพอออกมาปุ๊บอีมานหายหรือว่าเราจะเป็นมูนาฟิกกันกลัวขนาดนี้พี่น้องกลัวขนาดนี้ แต่ข้อแตกต่างครับข้อแตกต่างท่านอบูบักครับพอกลัวปุ๊บตอนแรกอยู่คนเดียวอาจจะคิดไม่ออกทีนี้มีเพื่อนช่วยคิดแล้วทั้งคู่ก็เลยพา ก, กันไปหาอับีุะบอกเราไปคุยกับอับีเะเราเป็นมูนาฟิกแล้วรู้เปล่าเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราต้องเตาบ้าแล้วต้องกล่าวกระริม้าใหม่เราต้องทําอะไรบ้างรีบไปหาอับเบบีครับพอถึงเวลาครับก็ท่านทั้งสองก็เข้าแผลท่านอับดุลเบีมัวมัสลลัลฮฺอัลลอฮฺซุลแลมท่านทานซาล่พูดกันเลย ยารัสูละห์ฮันซาล่กลายเป็นมูนาฟิก เ, ฟากเรียบร้อยแล้วนฟกเรียบร้อยแล้วน้าฟะกะฮันซลฮันซลเนี่ยได้เป็นผู้กับกอกแล้วท่านรูลอฮ์ลลัมบอกว่าไหนเล่ามาสิมาแรกแกท่านนบีก็ให้คุยมาก่อนเพราะท่านนบีรู้จักฮันซลมากกว่าใครแล้วก็รู้จักท่านอูบักมากกว่าใครท่านนบีก็บอกอาไหนเล่ามา ท่านอันสละก็บอกครับยาระซูลล้อนเนี่ยตอนที่เราอยู่กับท่านเนี่ยท่านคุยให้กับเราฟังในเรื่องนรกสวรรค์เหมือนกับเราเห็นกับตาเนี่ยแต่พอเราไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานไปอยู่กับท ร, รัพย์สินในดุนยาเราก็ลืมมันไป ส, สักส่วนใหญ่คืออารมณ์เนี่ยลืมไปเลยท่านนบีมุฮัมมัดสลัดอัสลามบอกว่าวันทีนับสิบียดีฮีเราแต่ดูมูนาอัลลามะตะคุนูน่าอินดี ละสะุอัลมาลาอิกอลฟรุชิกุมวฟิตุลุกิกะันสลตันตันลอดท่านบดุลโมฮัมหมัดสุลต่าบอกว่าหากพวกท่านรักษาความรู้สึกนั้นไว้ได้มาลากะก็จะมาอบร้อนพวกท่านตลอดเวลาไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ไหนเมื่ออยู่บนเตียงเมื่อพวกท่านจะไปที่ไหนก็ตามจะเดินไปตามหนทางไหนจะมีแต่มาลากะมาอบกอดด้วยความรักใคร่ ท่านนบีมูฮัมมัดสับอกไงครับว่าลกิน ย, ายาันยาฮันซาล่าแต่ว่าฮันซาลหาเอ๋ยซาอัตันซาอัตันมันก็ได้เพียงแค่ชั่วประเดียวประดาวชั่วประเดียวประดาวท่านนบีพูดไป ส, ส, สามรอบแปลว่าท่านนบีมฮัมหมัดสัมบอกให้เรารู้ครับเราเราได้ได้ประโยชนบ้างจากฮะดีษบทนี้เยอะมากเลยเยอะแยะมากเลยที่เราได้รับจากประเด็นเรื่องราวของท่านฮันซาล่ที่มาท่านนบีมฮัมมัดสัมบอก ประการแรกครับอีมาเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องปกติเวลาเราได้รับการความกำลังตัดเตือนนี้เขาพูดถึงผู้ศรัทธานะพูดถึงผู้ศรัทธาคนที่กลัวอัลลอฮ์ธรรมชาติของพวกเราอีมานเรามีขึ้นอิมานเรามีลงเวลาที่เราทําอิบาดะนะเวลาที่เราทําการคุ้นคิดถึงอัลลอฮ์เวลาที่เราทําการคุ้นคิดถึงบทบัญญัติถึงชริยะถึงการสร้างสารรค์ของพระองค์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถึงบททดสอบถึงอะไรก็ตามแต่อีมานเราจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อไรก็ตามที่เราคุกคีกับสิ่งที่สุกศาก็คือโรคดุนยาดุนยามันก็จะดึงเราให้เราหลงลืมอิมานเราก็จะลงมันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติ ม, รร ม, าตมันคือบททด ส, สอบมันคือแผนการของชัยตอนที่ต้องพยายามทําให้เราตกต่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นทุกคนต้องเจอกันทุกคนแต่แต่สิ่งที่เราได้รับจากเรื่องของท่านฮันะ แล้วก็จากอายักขรานที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ใส ย, ย, ยักตะกุรุไมยักชานี่คือเหตุผลว่ามุสลิมเราจาเป็นต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นประจําเพราะมันเร็วเหลือเกินที่เราจะลืมคือเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะรอดพ้นเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นปัญหาเราอยู่ตรงไหนปัญหาเราอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เรามีความมุ่งมั่นตลอดเวลา พูดกันตรงๆเป็นไปไม่ได้พี่น้องเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีความมุ่งมั่นตลอดเวลาเพราะตราบใดที่ชีวิตเราต้องยุ่งเกี่ยวกับดุนยาตราบใดที่ชัยตอนยังเป็นศัตรูของเราซึ่งมันต้องเป็นตลอดการอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักษาความมุ่งมั่นให้มันอยู่ไปตลอดการนี่คือเหตุผลว่าทาไมมุสลิมจาเป็นจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับคนดีแล้วจําเป็นต้องมีการว่ากาวตักเตือนแล้วส่งเสริมกันเพราะเราต้องการให้มีความมุ่งมั่นแต่ความมุ่งมั่นมันอยู่กับเราไม่ตลอดเวลาเราก็ต้องมีการช่วยเสริมกันและกันการอยู่ร่วมกับคนที่ดีอย่างน้อยมันจะรักษาอ ي م านช่วงที่เราดอบเขาจะช่วยเราฉุดขึ้นมา ในช่วงที่เราดอกช่วงที่เราขึ้นเพื่อเราดอกเราก็ช่วยดึงเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟาเซ็กิลอาญานี้จึงต้องใช้ตลอดชีวิตของพวกเราแล้วก็ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเตือนวันเดียวจบไม่ใช่ว่าเนี่ยเขารู้ฟาติห้าแล้วไม่ต้องไปเตือนไม่ใช่เราบอกว่าเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์อินยัตอาจารย์คอริทไคก็ตาเนี่ยอาจารย์เขาก็สอนทับซีดอยู่เขารู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเตือนไม่ไม่ใช่พี่น้องรู้ กับลืมมันคู่กันบางทีรู้ก็รู้แต่บางทีพอมีการพูดเตือนสติปุ๊บเออใช่เหมือนกับบรรดาซอบาตอนที่ท่านอบีมุฮัมมัดสโลงอวยสลัมเสียชีวิตท่านอุมัสรับไม่ได้ซอบาหลายท่านรับไม่ได้ท่านอุมัมแบบด้ยวยการที่แบบรักนุฮัมากๆท่านคุมสติตอนนั้นไม่ได้ท่านชักดาบออกมาแล้วก็บอกว่าใครบอกว่าท่านอบีเสียชีวิตเดี๋ยฉันจะฟันเขา ด้วยความเสียใจด้วยความที่ท่านรักนบีมากกว่าใครอย่าลืมท่านอุมัตรักท่านนาบีมากกว่าตัวของท่านเองนี่คือซอบะรักท่านนาบีมูฮัมหมัดรักมากกว่าตัวท่านเองพอคนที่รักมากๆเสียชีวิตก็มีความเสียใจถมว่าท่านอุมัตท่องจํากุรอานได้ทั้งเล่มไหมจำได้ทั้งเล่มแต่ท่านลืมแล้วจับซอบะลืมคิดด้วยความที่แบบว่าเสียใจมากๆต้องมีคนอื่นมาเตือน ท่านอบูบักอยู่ในเหตุการณ์ครับท่านมาที่ศพท่านนบีแล้วก็มาหอมท่านนบีแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ท่านเนี่ยหอมช่างมีกลิ่นที่หอมเหลือเกินทั้งตอนที่ท่านมีชีวิตกับตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านอบูบักก็รักท่านนบีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครแล้วท่านอบูบักก็ขึ้นไปพูดประกาศว่าใครก็ตามที่แกลบไหว้อัลลอฮ์อัลลอฮ์มิยวนเสียชีวิตใครก็ตามที่แกลบไหว้โมฮัมหมัดโมฮัมหมัดเสียชีวิตแล้วแล้วก็อ่านอายะฮ์คุราน โมฮัมห ม, ม, มัดาามุฮัมมัดุลอิลลารสุรุนก็ขอรับมิงกอบปริรุษนมัมดก็ไม่ได้เป็นใครนอกจากเป็นศาสนาทูตซึ่งก็มีศาสนาทูตมาก่อนหน้าเขาหากโมฮัมหมัดจะเสียชีวิตรหรือถูกฆ่าเจ้าจะกลับไปเป็นผู้ไปเสดสัทธากัน้หรือใครที่กลับไปเป็นผู้ไปเสดสัทธาเขาไม่ได้ทําอะไรอะไรเลยต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบุณพระองค์ ซอบ้าที่อยู่ในที่นั้นครับท่ลุมัตบอกว่าเหมือนกับอายะกุล่านอายะเนี่ยเพิ่งถูกประทานมาให้กับท่านอบูบักคือลืมคิดไปเลยวงพวกเราบอกล่วงหน้าตั้งนานแล้วว่าท่านนบีมูฮัมมัดถึงเวลาต้องเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะถูกฆ่าด้วยซ้ําอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะถูกฆ่าด้วยซ้ําแต่พวกเราก็บอกว่าท่านนบีก็เป็นเพียงวะศูนคือไม่ได้เป็นมากกว่าระศูนไม่ได้เป็นต่ํากว่าระศูนคือรอศูน ซึ่งเราซูน ก, ก่อนหน้าท่านอบดุลเบีมอ ม, มตัตก็มีแล้วมีมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นอย่างในเคสเนี่ยครับเราจะพบว่าบางทีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันใกล้ตัวเรื่องที่เราท่องเป็นประจำเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยบางทีลืมบางทีความมุ่งมั่นเรามันหายไปด้วยกับความเศร้าโศกเสียใจด้วยกับความกลัวด้วยกับอะไรก็ตามแต่ด้วยกับการหลงลืมหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับ ปัญญาเกอินนาไฟติซิกรัสสัยยะดักกรุเมยักชาจงมีการตักเตือนกันเถิดพ่ อ, นนพอแน่นอนเนี่ยการตักเตือนกันเนี่ยจะยังประโยชน์หรือหากการตักเตือนนั้นมันยังประโยชน์สยัยยะดักกรุเมยักชาผู้ที่กลัวเกงต่อผัวลอสุปหานุปัวตาอาไรอย่างแท้ จ, จริงเขาย่อมจะคิดได้ซึ่งก็ได้พูดคุยไปแล้วในสิ่งที่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับก็คือในสิ่งที่ว่าเราเก่งกลัวหรอ เราเชื่อฟังพระ อ, องค์เราศรัท ธ, ธาต่อพระ อ, องค์แต่ว่าหัวใจของเราน่ยมันบอบบางอ إ ي م านของเราน่ยมันบอบาบางมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงบางทีมันก็หลงลืมบางทีความมุ่ง ม, มั่นของเรามันก็น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นต้องมีการเตือนกันและกันตลอดเวลาเลื่องไหนเคยพูดแล้วยังพูดซ้ำได้อีกหนึ่งในคำเตือนที่นักวิชาการเขาเตือนกันเป็นประจำผู้รู้ชาวสลับผู้รู้ที่ยึดแนวทางของสลับทุกท่าน เวลาเจอกันหนึ่งในคำที่เขาต้องเตือนกันต้องพูดทุกคนต้องพูดก็คือจงสำรวมตนต่ออัลลอ์จงมีตักวาต่ออัลลอ์อิตตะกุลลอ์พูดแค่วักเดียวคนที่ยินจะรู้สึกขนลุกแล้วก็กลัวเลยถามว่าก่อนเตือนไม่กลัว Allah, หรือก่อนเตือนกลัวอัลลอ์แต่พอได้ยินการเตือนปุ๊บมันรู้สึกว่ามันแน่นเข้าไปอีกมันฝังเข้าไปอีกเพรา ะ, ะนั้นอย่าเหนื่อยที่จะเตือน แล้วก็อย่าเหนื่อยที่จะรับฟังการตักเตือนเพราะหัวใจของเรานั้นมันต้องการการตักเตือนเพื่อเป็นตัวกระตุน้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ความมุ่งมั่นของเรานั้นมีมากพอที่จะรับมือกับศัตรตูของเราที่มันพร้อมที่จะทําให้เราเสียคนตลอดเวลาครับผม ก็ทักทายพี่น้องครับพี่วนี้สลามมาวรีคุณสลามอาตุลลอฮฺวบรากาตุูเช่นเดียวกับคุณาซาดะนะครับวรีคุณสลามตุลลอฮวบรากาตุครับเสียงแปลกๆหน่อยครับไม่แน่ใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงแห้งหรือเปล่าวันร้อลำคุณอาซาดะนะครับสลามยังคงรับฟังอยู่มาเช้าวขอรอบแทนพี่น้องพื่อนด้วยความดีงามครับวรีคุณสลามอัตุลลอฮวบรากาตุูอยู่ที่ไปพระยากะบีนะครับผม ระสวัยนะครับทุกคุณครับสลามะวะลิขุสลามาุตุลลอฮวะบารกตุบฟาก ร, ฐฐฐรอินนาฟาติซิกรอีรุมัยยักเช า, าต่อไปครับเราไปคุยกันในประเด็นที่ว่าวะนะบูฮ อ, อัลอชกอนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อันตรายมากๆอันตรายมากๆที่พระลสุบฮานอตาบอกว่า ว, วยะตันะบูฮัลๆๆอชกอคนที่ชั่วช้านั้นเขาย่อมจะตีห่าง ออกจากการตักเตือนเป็นยังไงมีประเด็นอะไรที่เราต้องระวังไว้บ้างนะครับก็อินชาอัลลอ์เดีวยวถึงเวลาน่าจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนะครับก็ขอมา พ, พี่น้องด้วยนะครับผมอาจจะมีความผิดพลาดหรเพราะเรื่องการส่งสัญ ญ, ญาณอะไรก็ก็ขอมาด้วยหวังว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอินชาอัลลอ์ครับครับซกรุมยยักชวยชนลอชกลยสนารลคบร و َ إ م ف ُ ر ُ ق ُ ه ك ر ت ا ن ِ س ُ ر ق ص ر َ ة ع ل ى أ َ ت ي ت ن ا ا إ ن ش ا أ ْ ل ه خب أ ق و ل ق ك و ل ي ه ذ ا و َ س َ ف ل ا ل ل ه ل ي و ل ك م و ل ل س ا م ا ل س ل م ي ن م ن ك ل ل م س َ ق ف ر ا إ ن ه ُ أ ق ف ُ أ ر ه س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م ي ح م د ك أ ش ه د ا ل ل ه ِ لَا إِلَٰهَ و ِ ل ي ّ ا ل ا م و ر ح ِ و َ ا ل ل ه ع ِ ر ك َ ا ل ْ ع م